ภาวนา ม, มันไม่ยากอะไรหรอกนะคอยรู้สึกนะรู้สึกตัวอย่าไปบังคับแตมาเสียเวลาสมถะทําอยู่ยี่สบสอปีทําแล้วจิตนิ่งสว่างว่างสบายสบา ย, ยไม่เกิดปัญญาเหมือนพ้นทุกก็ชั่วเวลาที่เราทําสมถะอยู่พอหมดเวลาทําสมถะออกมาอยู่กับโลกข้างนอกมันก็ทุกข์ใหม่กิเลสลับมาอีก การที่เราคอยเพ่งบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจนิ่งๆมันจะทำให้ไม่เกิดปัญญาจะไม่เห็นความจริงในกายในใจกายก็นิ่งใจก็นิ่งมอนไม่ยอมแสดงไตรลักษณนะ์ถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรียกว่าไม่ได้ทำวิปัสนาอยู่ถ้าไม่ได้ทำวิปัสนาเนะี่ยมรรคผลจะไม่เกิดทำสมถะแค่ไหนนะมรรคผลก็ไม่มี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 เมื่อในาใยคลายกำหนัดคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นไปนี่ยเราต้องเดินให้ดีนะอย่าเอาแต่เพ่งเพ่งลูกเดียวตายไปเป็นพระพรหมลำบากอาต่อไปตรวจการบ้านกดมัมมัสการเจ้าค่ะตอนนี้จิตมันไหลแล้วมันก็ฟุ้งคิดไปเรื่อยเจ้าค่ะถ้ า, ถาวัน น, นึงคืนะ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 อ, อยากดูแล้วจงใจไปเที่ยวควานควานอะไรรั้งกายเป็นดิ้นรนคนน้นคว้าก็เป็นทุกไปนะเรารู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นก็รู้ว่ายังยังมีความจงใจอยู่ค่ะอแต่ว่าเมาื่อวานเนี้ยจะเห็นหลงคิดเยอะอซึ่งตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็หลงคิดไป น, นิดนึงแล้วบางทีมันก็รู้สึกแล้วก็บางทีมันก็ไหล ม, มันสับกันไปรู้นนอย่างงันนี้ยค่ะดูเข้าใจรัก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 มีอยู่ก็มีชั่วคราวนะหมดเหตุเาก็ดับไปบังคับไม่ได้เราจะเข้าใจควาว่าอนัตตาได้ดีถ้าเราเข้าใจควาว่าอัตตาของฮินดูซะก่อนอัตตามันคือตัวตนที่ถาวรไม่มีตัวตนที่ถาวรแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐนะิในศาสน า, าพุทธเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้ามีเหตุมันก็มีนะไม่ใช่มันไม่มีถ้ามีเหตุมันก็มีหมดเหตุมันก็ไม่มีนะไม่มีตัวตนถาวร เราจะเข้าใจตัวนี้ได้เราต้องเข้าใจอัตตาซะก่อนเนะงินไม่ได้พอนาเพื่อให้มันหายไปนะแต่พอนาเพื่อให้เห็นจริงเลยเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันทำเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุของมันตูเล่นเล่นไปนะยังเพียงอยู่นะยังมีเพียงอยู่ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมนะเอ้าวันนี้ให้ใครคนไหนยังไม่เคยส่งกันบ้าน คนที่ไม่เคยส่งกันบ้านแล้วอยากส่งกันบ้านครั้งแรกในชีวิตเบ อ, อร์ยีสิบหกพระสการพระอาจารย์ครับผมศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยปัจจุบันรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ดีสิดีมากปฏิบัติตามรูปแบบทุกเช้าแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจําวันสําหรับการปฏิบัติตาม รูปแบบผมจะดูลมลมหายใจเป็นวิหารธรร ม, มระหว่างนั่งก็จะเห็นการเผลอแล้วรู้เผลอและรูละล้ได้ได้บ่อย<ด>และชัดเจนและในช่องว่างระหว่างการที่รู้และเผล อ, อบางครั้งก็กลับไปเห็นลมหายใจบางครั้งก็ไปเห็นเวทนาที่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น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 แต่ว่าได้ยินอาจารย์สอนในซีดีว่าแต่ละคนสะสมความหลงผิดไว้ไม่รู้กิ่ชาติ<ม>ก็จะต้องเรียนรู้ต่อไปมผมก็จะไปบัิตามที่อาจารย์ได้<อ>แนะนำ<ท>ไวนะ้ว่าจะเรียนรู้<ม><ม>ต่อไปช่วยชีวิตนี่สาธุเลยสาธุโมทนาสาธุนะดีมากเลยทำได้ครบเลยนะมีศีลไหมนะ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 49อยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังครับกับ พ, พระสมการหลวงพ่อครับอเออผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ1เดือนครับผมก็รู้สึกว่าจิตใจสงบมากขึ้นตอนนี้ก็คือใช้วิธีปฏิบัติคือการดูกายและการดูใจออพร้อมๆก<ช>ันนะครับผมมันต้องดูสลับกันนะมันไม่ดูพร้อมๆหรอกไม่ทราบ ว, ว่าทำถูกแล้วหรือเปล่าครับทาถูกสิ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 57 57การวัสการครับหลวงพ่ อ, อ, อ ผ, มผมก่อนก่อนหน้านี้ก็ก่อนหน้านี้ผมจะฝึกนั่งสมาธิแนวพุโทโธยกไหมไหนยกไห ม, นะมนั่งสมาธิแนวพุโทโธนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากปี2550ผมก็ได้มาฟังเทศหลวงพ่อโดยการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ทำให้ผมทราบสภาวะว่าสภาวะเผอเป็นยังไงสาะเพ่งยัยมเอาไม้ใกล้ๆปากหน่อยนะครับอทราบสภาวะเป้นยังไงเผลอเป็นไงแล้วทําให้ผมทราบทราบว่าสภาวะเผอเป็นยังไงสภาวะเพ่งเป็นยังไงอืงซึ่งซึ่งจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนมากแล้วผมจะเผออือแล้ว พ, อ, อ, พอเผอปุ๊บเนี่ยผมจะไปเพ่งทันทีเลยแล้วตกดีที่รู้ทันนะครับพวกที่ภาวนาอย่างสมัยก่อนหลวงพ่อฝึก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 ร้อยี่สิบอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังข้างหลังรัฐพรสดาครับหลวงพ่ อ, อ, อตื่นเต้นครับอ อ, อผมมีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่อว่า เ, เคยมีครั้งหนึ่งผมได้สติที่ว่าเห็นรูป เ, เห็นรูปสวยก็คือผู้หญิงนะครับออ่าดีไม่เห็น <ใจ S 1> แล้วผ<ก>ู้ชายสวยเห็นผู้หญิงสวยล้างในพอได้สติมารู้ตัวว่าเราเนี่ย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 เพราะเขาเคยร้องทั้งสองอย่าง2วิธีนะครับคือว่ามองต่อเราก็เผยบางครั้งก็กจะเผอไปยิ่งยิ่งเผอไปอีกแต่อย่างเป็นถ้าเป็นพระนะท่านบอกไม่มองออกครับผมเพราะว่าเสี่ยงเป็นพระเดี๋ยวเสี่ยงตามผู้หญิงไปเราเป็นค า, ารวะเนี่ยความเสียงมันน้อยกว่าพระอ๋อครับเพราะงั้นถ้ามันมีให้ดูเรารู้ว่าใจชอบเราก็รู้ไปแต่ถ้าดูแล้วเราเพลินนานๆ น, น, น, น, นะเราก็อย่าไปดูอ๋อครับนะดูแล้วหลงนานเราก็ไม่เอาเสียเวลาเรา อ๋อครับนะดูเอาแค่ไหนพอดีครับนวัตกายครับหลวงพ่ออ้าวเบอร์ห้าสบาอยู่ที่ไหนคนนี้ถามแต่เรื่องดูผู้หญิงโยมปฏิบัติอยู่รู้สึกว่าเพ่งอะฮะใช่แล้วก็เครียดค่ะเครียดมากค่ะเลิกปฏิบัติได้ไหม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 ถ้ายังเครียดแล้วก็คงที่เครียดนิ่งๆอยู่ยางเงี้ยดูอะไรไม่ได้แล้ววิหารธรรมที่ควรจะใช้อะคะตอนนี้ไปรู้สึกร่างกายบ่อยๆไปทำงานหา ง, งานทำให้มันเหนื่อยๆจะได้คลยจากการเพ่งเอาไว้หา ง, งานทำไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียนต่อคือแก้ตรงที่เพ่งนี้ก่อนติดเพ่งถ้าติดเพ่งมันเดินปัญญาไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกพอเราเพ่งนะั้นมันก็นิ่งไปหมด ใจนิ่งใจนิ่งแล้วก็ไม่มีความสุขแข็งแข็งทื่อๆเคลียดเคียดมากๆไม่ดีงั้นตอนนี้ลืมลืมเรื่องปฏิบัติไปหางานบ้านทำไปนะทำโน้นทำนี้ไปก่อนแล้วก็ต่อไปก็ค่อยๆรู้ทันความรู้สึกของเราหาหนังมาดูบ้างก็ได้นะไปดูหนังดูหนังก็ยังดูหนังก็ยังปฏิบัติไม่ใช่ค่ะเวลาจิตมันออกไปก็ยังยัง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 และควรปฏิบัติในรูปแบบไหมคะส่วนท่านที่หยุดทุกอย่างไม่ก่อนนะส่วนมลอย่างเดียวแล้วก็รักษาสี่ห้าไว้แล้วออกไปกระทบอารมณ์บ่อยๆพอกระทบอารมณ์แล้วใจเรากระเทือนขึ้นมายินดียินร้ายขึ้นมาเราก็ค่อยรู้เอาเนี่ยเราค่อยกลับมาปฏิบัติตรงนี้ขอบพระคุณค่ะร้อยห้าสิบเจ็ดน้ศการหลวงพ่อครับคือกับผมปฏิบัติตามซีดีที่ผมได้รับมาจาก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 152้า15ดีนะที่มาถามเนี่ยไม่งั้นฟังจบแผนเราก็นิ่งไปเลยแย่เลยกลับนมสัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะอยู่ไหนยกมือให้ดูอก็หนูตามดูตามรู้จิตมาสักพักหนึ่งแล้วคะ่ะแต่ว่าคือหนูเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดมากค่ะหนูก็จะเห็นคือหนูจะเห็นโทสะบ่อยอะคะ่ะหลวงพ่อก็ดีเนี่ยค่ะ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 ก็คือดูไปเฉยๆอย่างนั้นเหรอคะใช่เห็นไหมจิตทํางานได้เอง <c oughs> คนขี้โมโหเนี่ยจะเป็นพวกที่ปัญญากล้าหนึ่งหนึ่งพวกปัญญากล้าเนี่ยดูความเป็นอนัตตาไว้ <c oughs> มันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานเองมันโมโหเอง <c oughs> ดูอย่างนี้ไปเรื่อ <c oughs> ยๆแล้วหนูสงสัยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเวลาที่เราโมโหแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วคือมันจะมีความคิดแบบผุดขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นคําพูด ที่ที่เหมือนเวลาพูดออกไปแล้วมันจะทำให้คนฟังรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเรารู้ตัวเราโมโหแล้วแล้วเราแล้ว เ, เราห้ามตัวเองไว้ไม่ให้พูดอย่างเง้นเราไม่พูดนะถ้ <c oughs> าพูดเราผิดศีล <c oughs> แต่เราไม่ห้ามจิตคิดงั้นในจิตเนี้ยมันคิดคำด่าออกมาเยอะเลย <c oughs> เราก็เห็นเลยจิตมันด่าได้เองนะแต่ปากเราไม่ด่านะเราเห็นจิตมันดา่าจิตมันพูดได้เองรู้สึกหมมันคิดได้เองเนี่ยเราเห็นไตรลักษณ์นะ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 ไม่ใช่ไปดูว่าเมื่อไหร่จะหายสักทีจิตมันเศร้าหมองรวอกไหมอย่าไปเกลียดมันนะแค่รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะปล่อยมันไป let it go อือค่ะขอบพระคุณค่ะ <101. S 1> ร, ร้อยหนึ่งใครขาดสติบ้างยกมือซิเนขี้โกงยกแล้วนะอ่า ว่าไปนึงกรอบนิมัสการหลวงพ่อนะคะเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ะฟังซีดีมาได้ประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้ตื่นเต้นออืก็เมื่อชาวที่หลวงพ่อเทศว่าแบบมันทํางานของมันเองอะค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเออหายใจมันก็หายใจของมันเองอืบางทีจิตมันคิดนู่นนี่ขึ้นมามันก็คิดขึ้นมาของมันเองบางทีก็เป็นอกุศลทั้งนั้นเลยจนเหนื่อยมันเป็นอกุศลตลอดล่ะ นะ<ะ>เพราะว่าตอนที่มันคิดเนี่ยจิตเราหลงไปตรงที่หลงก็เป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วคะแต่บางทีคิดไปหลงคิดนะเป็นอกุศลแต่ไปคิดเรื่องดีๆก็ได้กลายเป็นกุศลก็ได้ที่สําคัญที่สุดเลยจิตไปคิดเราก็รู้ทันตัวนี้<ะ>เราพิเศษที่สุดละแล้วมีวันหนึ่งคือรู้สึกว่าเศร้าหมองอะค่ะก็รู้สึกเห็นขบวนการของกิเลสมันแบบอื ม, มันมาทั้งวันเลยพอเรามีสติปุ๊บ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 ดูไปจนเห็นเลยมันบังคับไม่ได้หรอกเราโทรสารหนูก็เร็วเหมือนกันแต่เดิมแต่เดิมมันก็ร้ายนะแต่มันไม่เห็นตอนนี้มันเห็นแล้วล่ะมีคนรับๆตัวเขาชมบ้างอย่างว่าเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นมีบ้างไหมอันนี่มีชมเขาเรียกว่าผลัดกันเขียนเวียนกันอ่านวานกันชมมาด้วยกันบางครั้งจิตมันสอนธรรมะมันเองว่าพูดขึ้นมาเองอะเออเราไม่สนใจนะ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 อสองอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกในจิตว่ามีความเศร้าหมอง ม, มีโมหะราคะและโทสะซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมีวิจิกิจฉามานะก <laughs> ุทธัจะ <laughs> คือมันเกิดจากที่เรารักษาศีนห้ามาตลอดแล้ววันนึงเราทำผิดแล้วเราก็รู้สึกแล้วก็ทุกคืนนะคะจะอาราธนาศินห้าแต่ใจจิตมันไปติดว่าเราทำผิด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 เรียนๆไว้หน้าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตการนมัสการเจ้าค่ะลงมาที่นี่ครั้งแรกปกติช่วงก่อนก็มีปฏิบัตินั่งสมาธิแต่ว่าจะปวดหัวทุกครั้งเลยที่ที่นั่งอย่าไปนั่งสินั่งแล้วปวดหัวไปนั่งทไมอ่ะ <laughs> ไปหางานทำไปเช่นเรากวาดบ้านอย่างเงี้ยกวาดๆไปแล้วล้วก็โมโห ว, ว่าคนอื่นมาทำาสกปลกอะไรเงี้ย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 นึกออกไหมจะไปเพ่งมันไม่ได้ดูมันหรอกเพราะฉะนั้นตอนนี้มารู้สึกที่กายบ่อยๆไว้แล้วต่อไปความรู้สึกอะไรพุดขึ้นมาก็รู้ทันอย่างไม่เก้ีรู้สึกไหมมันมีความพอใจพุดขึ้นมานิดนึงเนื้แค่รู้อย่างนี้ร้อย <14 4. S 2> สี่สิบสี่การธรรมศาสตร์หลวงพ่อครับมันอยู่ๆก็ตื่นเต้นนะครับตึกๆๆไม่มีเหตุเลยเหรอ <laughs> ครับ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 กลับมาที่ลมค่ะนั่นแหลจงใจ อ, นนอันนี้นคือผิดใช่ไหมใช่ใจเราถึงทือๆรู้สึกไหมรู้สึกค่ะใจมันจะทือๆยิ่งไปจงใจอย่างนั้นแล้วใจทื่อๆนล้มันจะเกิดโมหะมากขึ้นเรียกว่าโมหะสมาธินะค่ะดังนั้นต่อไปนี้หลงให้รู้ว่าหลงหลงแต่ละเสร็จแล้วจิตวกไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตวกไปอยู่กับลมหายใจค่ะจิตทิ้งลมหายใจรู้ว่าจิตทิ้งลมหายใจรู้ทันจิตไว้ไม่ใช่รู้ทันลมค่ะ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 ก็เลิกไปก่อนออยากได้การบ้านนะคะหลวงพ่อที่ทําอยู่นี่ก็เยอะแล้วไปทําอีกนะเท่าที่ทําอยู่นะมันก็พอเกิดมาเกิดผลได้แล้วะการที่เห็นว่าเดี๋ยวก็จิตก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวจิตตัวรู้ก็ไหลเข้าไปรวมกับรมเดี๋ยวก็แยกออกมา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 พอจะตกใจมันมีจิตตัวเองไปรู้ว่าจะตกใจว่าอ้าวนี่ฝันนี่นาอย่างนี้เจ้าค่ะก็ดีแล้วนี่ก็แล้วคราวนี้แต่ว่าเวลาที่เราอยู่บางทีเผลอไปกับรู้ไปอย่างนี้เจ้าค่ะก็ไปฝืดไปใช้ได้รับดีดูจิตไปเรื่อยๆนเจ้าค่ะดูจิตไปเรื่อยๆเอาเบอร์ยีิบเจ็ดนมาสการครับมาส่งการบ้านคราวที่แล้วอ่า หลวงพ่อบอกว่าจิตไม่มีแรงแล้วก็กดไว้อปตอนนี้บริกรรมพุโทโธอยู่จิตมีแรงขึ้นแล้วครับแต่ยังกดอยู่อะไรนะยังกดอยู่หน่อยๆครับมีแรงแต่ยังกลัวเออกลัวแล้วก็ถ้าเกิดบริกรรมพุโทโธไปอย่างเงี้ถ้าเกิดใจไม่แข็งเนี่ผมพุโทโธทั้งวันเลยได้ไหมครับได้พุโทโธไปตลอดทางปฏิบัติเลยก็ได้แต่ไม่พุโทโธเพื่อให้จิตนิ่งนะพุโทโธเพื่อจะรู้ทันจิต พุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรือว่าจิตฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธจิตสงบหรือว่าสงบพุทโธแล้วจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดพุทโธเรารู้ทันจิตครับฝึกอย่างนี้ก็ไปได้ตลอดสายของการปฏิบัติเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยดูอย่างนี้เรียกว่าตื่นหรือยังครับตอนเนี้เพ่งอยู่ไม่ตื่นหรอกขอบคุณครับแต่ว่าตอนที่อยู่บ้านเนี่มันตื่นแล้วจิตมันเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไ้มมันตื่นครับมันตื่นแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไม่ตื่นเพราะกลัวหลวงพ่อขอบคุณครับ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 จงกลมแปลว่าก pour, ้ où, yeah. าวไปทุกก yeah. ้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งสิ้นเลยสมมติจะเดินไปช้อปปิ้งนะเดินเข้าไปในศูนย์การค้าเห็นร่างกายเดินไปอย่างนี้ก็เรียกเดินจงกรมอยู่เดินเดินไปแล้วเห็นของสวยเห็นกระเป๋าสวยใจอยากได้รู้ว่าอยากได้เดินเข้าไปดูอย่านี้รู้ทันกายรู้ทันใจอยู่ก็เรียกว่าเดินจงกรมอยู่้เดินกลับไปกลับมาแล้วไม่มีสติไม่เรียกว่าเดินจงกรมเรียกว่าเดินเรื่อยเปื่อย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 เวลาที่ก่อนที่เราจะพูดใช่เราต้องคิดก่อนมิตกพิจารณ์เนี่ยเป็นวจีสังขาร ค, คือทำให้เกิดคำพูดขึ้นมามันต้องคิดและ้นในขณะที่คิดเราไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยในขณะนั้นจะไม่ได้เจริญสติไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจแต่พอเราพูดไปแล้วเราโมโหให้คนนี้ขึ้นมานะรู้ทันว่าโมโหเน่อย่างนี้ถ้าว่าเราเจริญสติอยู่นะครับ ก, ก, ก็คาสามคาถามนึงครับอยา ขอคาแนะนาพระอาจารย์ว่าการที่ค า, ารวะแบบพ ว, พวกเราอย่างนี้เราจะฝึกสมาธาเิเพื่อให้ได้ฌานก่ อ, อ, อนที่จะก้าวสู่วิปัสสนาที่เข้มแข็งต่อไปอออระหว่างที่เป็นปฏิภาคนิมิตเราจะหน่วงยังไงให้เข้าปมรินะเอมระห่งไ้เาปนครับดูปฏิภาคนะเอาปฏิภาคามิตเราจะหน่วงยังไงให้เข้าปฐมฌานครับดูปฏิภานะเอาปฏิภามเหนไม่รเอาลมหเายใจเป็นบาอารมณ์เราะว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 นะวิตกคือจิตมันตรึกอยู่ในดวงนิมิตวิจารคือจิตมันเคล้าอยู่ในดวงนิมิตโดยไม่หนีไปไหนมันจะมีปีติมีความสุขขึ้นมาใจมันจะเด็ดเดี่ยวเป็นหนึ่งอยู่กับปฏิภาคนิมิตนั้นนะก็ฝึกอย่างนั้นแหละทําไมละ่ละกะจะเอาชาญเนะื <c oughs> เอาเอาปัญญาต่อไหมเอาปัญญาครับนะถัดจากนั้นนะเราก็รู้ทันมิตกวิจารที่เกิดขึ้นนะวิตกวิจารก็ดับไป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 แล้วก็มานั่งดูอีกดูอีกก็กลัวอีกกลัวอีกกลัวรแล้กลัวอะไรก็เลยขอนอนดีกว่านอนดูร่างกายมันนอนนะครับอะไรนะกลัวแล้วทําอะไรนะก็กลัวไม่ไหวแล้วก็นอนดีกว่าครับเพราะมันดึกแล้วนะครับโอ้มาตรการสู้ความกลัวครับก็ดูก็ดูร่างกายมันนอนไปจนอย่างนั้นก็ได้มันถึงเวลานอนแล้วนี่ครับต่อไปเวลามันกลัวนะให้รู้ทันใจที่กลัวครับแล้วก็อยากให้หายกลัวให้รู้ทันใจที่อยาก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 บางคนจะรู้สึกเกิดความรู้สึกเพ้ิงวางหวงหวง ว, ง ว, ง ว, งวังเวงแต่ละคนรู้สึกไม่เหมือนกันหรอกรแต่พอมันกลัวเนี่ยให้รู้ทันลงไปที่กลัวอย่าให้กลัวครอบงำจิตรู้เฉยรั บ, รบมันเป็นทางผ่านพอรู้แล้วบางคนกลัวนะเบอร์165ร้อยหกสิบห้านมัสการครับหลวงพ่อ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 ถ้าไปประคองไว้ไปรักษาไว้มันจะไม่เดินปัญญาต่ตอจะกลายเป็นสมถะอีกแบบหนึง่งจะเป็นสมถะประเภทเพ่งตัวผู้รู้ไว้เพ่งตัวผู้รู้นะครับออแต่ของคุณยังไม่รุนแรงแล้วนะแล้วก็ผมไม่กลัวนะครับหลวงพ่อคือเวลาเห็นตัวเองอาบน้าหรือว่าเห็นตัวเองนั่งไม่รู้สึกกลัวแต่รู้สึกว่าทำยังไงถึงจะพ้นให้ได้ให้รู้ไปว่าใจมันเบือ่อ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 ค่ะไม่เจอเขามานานแล้วเจ้าค่ะเราก็เพิ่งผุดมาถ้าเราไปเพ่งอยู่จะไม่เจอเจ้าค่ะแล้วนะนะเจียมยกงมือไว้นะเจียมอยู่ข้างหลังนะกราบนรมัปรการค่ะคือพอดีวันนี้มันค่อนข้างจะง่วงค่ะแต่ก็ก็ฝืนอยู่ค่ะแต่ขณดอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มีฉชนท่าในการที่จะตามดูตามรู้อยู่ค่ะดีสิแล้วก็จะเห็น